ในควาที่ครบรอค่ารายการสัสนิษฐานาเช้าตรู่อย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่เคยตื่นเช้าก็ยังคงตื่นต่อไปนะคะส่วนบางคนอาจจะบอกโอ้ยวันหยุดชดเชยเมื่อคืนก่อนนี้นอนดึกไปหน่อยดูถ่ายทอดมวยข้อนรุ่งเลยเนี่ยก็สุดแท้แต่ดิฉันไปเจ อ, อผู้กํากับการสอนอสอ น, อนอหนึ่งซึ่งคงจะดูแลตะแถ่พื้นที่ของเซ็นทรัลเวิร์ ใช้คำว่านายตำรวจระดับสูงดีกว่าเห็นมีทั้งมงกุฎทั้งดาวมากกว่าหนึ่งดวงแล้วก็ได้ไปเจ อ, อสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่มาร่วมในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบ ร, ะร ม, มราชินีนาฏเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่อยากให้คนไทยได้ไปช ม, มนะคะเพราะว่าจัดแบบทันสมัยมีทั้งในส่วนของภาพพระราชกรณียกิจภาพคู่พระบรมีภาพจุงเงินมากถ่ายขึ้นมาใหม่ แล้วก็มีพวงมาลัยขนาดสูงเท่าตึกห้าชั้นให้เราได้ไปลงนามถวายพระพรกันบริเวณนั้นด้วยต้นไม้สีขาวโพลนที่จะให้ท่านเขียนลงนามของท่านแล้วก็ไปแขวนบนต้นไม้นะคะกับมีสินแห่งแพรไหมที่ได้เชิญดีไซเนอร์แนวหน้าสี่สิบสองคนมาช่วยกันทำเสื้อผ้าด้วยผ้าไทย ที่รังสรรค์จากจินตนาการแรงบันดาลใจในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าจัดแสดงไว้มีการเดินแฟนโชว์ตอนทุ่มหนึ่งของวันธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ที่ซึ่งผ่านไปแล้วนะคะเขาก็เพิ่มรอบสามโมงด้วยยังขอใช้เวลาตอนนี้ประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพบกับพระอาจารย์ไพบูร์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายศอุดรธานี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปสําคัญที่มาพบกับเราในรายการที่อีกรูปหนึ่งนะคะกราบนรงสการกับท่านะคะใพานตอนนี้เห็นบอกว่ามีคอร์สปฏิบัติธรรมอีกแล้วใช่เดือนสิงหาคมวันที่สิบเอถึงสิบเกระหว่างนี้แหละค่ะ เ, เวลาที่ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเ ด, เดือนเดือดแป๊บเอแปออกมาแล้วใช่คราวนี้เป็นเป็นหลักสูตรของคนคนเก่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งถามว่าไปกันเยอะไหมคะโอ้ก็มีผู้หญิงทั้งหมดเจ็ดสิบผู้ชายสิบแปด แล้วก็มันเกือบเก้าสิบแล้วว่าสิบก็เพราะที่มาได้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็มีพระภิกษุอีกสิบรูปรมัง้งที่ที่อยู่จำพรรษานะที่ เ, ออเป็นพระที่บวชในพรรษาค่ะ<ม>ถ้าไปบุญค้าวันนี้ที่ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็เป็นความสนใจของคนไทยจำนวนมากก็คือเราส่งนักกีฬาไปโอลิมปิกส่วนใหญ่แล้วเราก็จะหวังได้ในกีฬาไม่กี่ประเภท มากเลยว่าอยากจะได้เหรียญทองสักเหรียญทองหนึ่งจากมวยสากลสมัครเล่นอื ม, มีคุณแก้วพงประโยูน์เป็นตัวแทนขึ้นชกแล้วเป็นความหวังจริงๆเลยเรียกว่าแทบจะปิดประเทศชมก็ได้ทั้งๆที่เขาออกอากาศต้องเป็นปีสองกว่าอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ<อ>สุดท้ายผลออกมาแก้วแพอย่างไรก็ตามไม่สามารถจะทําให้คนไทยสบายใจได้เพราะ อย่างนี้ใช้วิธีการชมด้วยตาพร้อมๆกับกรรมการนะคะสายตาของผู้ชมว่ายังไงแก้วก็ต้องชนะดิฉันเองเนี่ยมาอ่านวิจารณเพราะว่าตื่นไม่ไวมหวหลายฉบับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาถามธรรมะท่านเพราะมีหลายมุมตัวของนักชกของเราเองเนี่ยนะคะพอเข้าไปสัมภาษณ์ก็ยอมรับได้ในแง่ที่ว่าได้เหรียนเงิน คนไทยที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แล้วก็ยอมรับในขณะที่ครอบครัวของคุณแก้วโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยเขาจะไปถ่ายให้ดูตอนที่ได้เหรียญทองแดงเหรียญแรกเนี่ยคุณแม่ลุกขึ้นมาใส่นวมเหมือนจะชกไปพร้อมๆลูกเลยเป็นสีสั์มีชีวิตชีวามากเท่ากัารักลูกมากหัวใจนี่อยู่กับลูกหัวใจเหมือนกับไปช่วยลูกชกเลยมแม่ควรจะเป็นคนที่ เหมือนกับตัดเพ้อต่อว่ามากใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้สึกรับไม่ได้ถึงขนาดจะให้ประท้วงกันแต่เนื่องจากว่าทางโอลิมปิกเขาก็มีกติกาว่าถ้าจะอุดทอนเนี่ยต้องภายในห้านาทีรอนภายในเวลานั้นแต่กลายเป็นว่าคุณแม่ซะเองกลับเป็นคนที่ยอมรับผลของการแข่งขันนี้นะคะเรก็มองแบบธรรมะนะคะว่าเนี่ยค่ะในเรื่องพวกนี้เนี่ย ถ้าจะเอาธรรมะเข้าไปจับจะได้เป็นวิธีการในการที่เราไปเชียร์อะไรแล้วพลาดหวังไม่สมดังใจทั้งๆที่ทททเราเชื่อว่ามันเป็นธรรมแบบหนึง่งนะคะอือะไรดีนะคะอันนี้มีอยู่สามประเด็นด้วยกันอันแรกคือเรื่องของตั ว, ตวนักกีฬาก่อนค่ะคื อ, เ, อเหมือนกับเด็กที่ตรียมตัวมาอย่างดีแล้วไปสอบเข้าหมหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนสักที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยเราเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ว่าเราไม่ได้อะนะ ก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ว่าปัจจัยต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่เราควบคุมอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามด้วยอยู่ที่กรรมการด้วยอยู่ที่ดินฟ้าอากาศด้วยอยู่ที่สถานที่ด้วยแต่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะเกมเราเกมเราแพ้เนี่ยแต่ใจเราแพ้หรือเราชนะอันนี้เราตอบได้เหมือนอย่างหลักสูตรการเล็กเรนที่วัดป่าต่อไหนโศกเนี่ยเราไม่ได้วัดที่จํานวนคนมากหรือน้อยไม่ได้วัดที่จํานวนเงินบริจาคไม่ได้วัดที่คนก็ออกมาชมเราหรือเปล่าแต่เราวัดที่จิตของเราว่า จิตของเราเนี่ยมีความขึ้นลงมีความเหวี่ยงมากไหมถ้ามากเราแพ้นะถ้าไม่มากเราชนะเช่นเดียวกันจิตของคนแข่งคนแข่งตอบได้แล้วนะแม่ของคนแข่งก็ตอบได้นะว่าเพราะว่าลูกอยู่กับลูกนี่อยู่กับลูกก็รู้ว่าลูกนี่ซ้อมหนักขนาดไหนตัวนักกีฬาเองก็รู้นะถึงแม้ว่าคุณจะได้เหรียญอะไรเนี่ยนะมันเหตุปัจจัยหลายอย่างนะทีนี้ว่าตัวคุณซ้อมดีไหมถ้าเราเป็นผู้ตัดสินเราได้เองนะบางคนเนี่ย ตัวเราเองซ้อมไม่ดีแต่ว่าไปเส้นกรรมการนะไปใช้เส้นสายนักนักการเมืองบางคนเลือกตั้งมาเงี้ยเราก็ซื้อเสียงเงี้ยก็รู้ตัวเองว่าตัวเองทําดีหรือไม่ดีคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันว่าตัวเองสามารถตอบได้ถึงแม้เราจะไม่ได้คนอื่นจะไม่ได้ยอมรับเช่นกรรมการเป็นต้นแต่ว่าเราเราชนะนี่ชนะในใจของเราก็ก็ถือว่าโอเคอ น, นี้ ค, <ะ>คือประเด็นที่1นึ่งส่วนประเด็นที่2คือเรื่องของตัวผู้ฟังทุกผู้ช ม, มนะผู้ที่ชมรายการอยู่เนี่ย เ, เราก็ต้องดูดูแล้วก็เป็นกลางๆนะก็เราอาจจะเห็นความไม่ยุติธรรมอะแต่จิตของเราเป็นยังไงน ะ, ะออบอนแพ้เขาไม่เคยคนบอกมวยแพ้บอลแพ้แต่คนไม่แพ้ก <c oughs> องเชียร์ไม่แพ้น ะ, ะในลักษณะนี้คือหมายความว่าไงหมายความว่าในจิตของเราเนี่ย เ, เราเราชนะไหมนะคือว่าถ้าเราเราไม่พอใจใช่ไมแล้วคุณไปด่าว่าโพสข้อความส่งอีเมลไปทุ่มเถียง ไปทุกตีชกโมชกต่อยนะกรรมการหรือว่าคนดูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอ้โหนี่นี่คุณทั้งแพ้ทั้งเกมแพ้ทั้งคนดูเพราะว่าเราเราไม่ใช่มีคุณธรรมนี่แต่ชนะเนี่ยคือชนะวัดกันด้วยศีลธรรมวัดกันด้วยคุณธรรมนะคนแพ้เนี่ยแพ้เกมนะถ้าคนแพ้มีธรรมะอันนี้เขาก็ได้รับการยกย่องะอย่างคนติดคุกออกมาเนี่ยถ้าเขา ม, มีธรรมะสังคมก็ยอมรับนะคนแพ้มีธรรมะ สองคมก็ยกย่องผู้แพ้นี่ยก็ได้รับการยกย่องอยู่ดีแล้วมันอยู่ที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับแพ้ชนะมันอยู่ที่ว่าคุณมีคุณธรรมขนาดไหนสินสมารถปัญญาเนี่ยเป็นตัววัดได้ค่ะทีนี้ผู้ ด, ดูดิฉันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะท่านทางวัติิดเราเนี่ยอ่าชนะไห ม, อ, มอย่างไรก็ตามเราก็ต้องพูดในเรื่องข้อเท็จจริงอนะคะและดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากที่มีความรู้สึกร่วมว่า มันยอมรับไม่ได้อะมันไม่เป็นธรรมก็เห็นกับตาอยู่อย่างนั้นนี่ว่าคนไทยของเราเนี่ยโชคดีกว่าแล้วตัดสินมาได้ยังไงคนที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนดูนะคะฉันเชื่อว่าคงจะใข่ครวญหรือว่ามีเรื่องพวกนี้อุดหนิดอยู่ในใจไป็หลายพันใช่ไหคะอันนี้มันความเห็นใครควาเป็นของของผู้ดูถูกไหมล่ะผู้ดูก็เป็นคนไทยนี่เนาะก็ ก็คงต้องเชียร์ประเทศไทยอะไรเนาะค่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ความเห็นกรรมการนะนะอันนี้อันที่หนึ่งทีนี้คนประเทศนั้นเขาแข่งกับประเทศอะไรอะแข่งกับประเทศจีนค่ะแข่งกับประเทศจีนคนจีนดูเขาว่ายังไงถามคนจีนหรื อ, อยังอ๋อคือแต่แต่ดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะนะาดิฉันเข้าใจว่าเพราะว่าข่าวเขาพูดอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> ว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ของสื่อ อินเตอร์คือหมายถึงว่าสื่อหลายๆชาติเนี่ยออืก็วิพาควิจารณ์ในทํานองเดียวกันนี้เหมือนกันก็จึงเป็นน้ําหนักให้ดูเหมือนกับว่าเราได้รับความไม่เป็นธรรมจริงคุณคุณยมติ๋วเคยฟังอาตมาพูดถึงเรื่องหนอนใช่ไหะว่าเราไม่สามารถที่จะไปตามคนหมู่มากได้อะไรถูกคือถูกเอาพูดงี้สมมุติว่าตอนที่เราจะตายอ่ะตอนที่เราจะตายเหมือนกันนะคุณยมติ๋วเราไม่อยอกไม่อยากตายนะเราไม่ยอมรับนะ ว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นเลยยังไม่ได้เที่ยวรอบโลกเลยยังไม่ได้ไปต่างประเทศเลยยังไม่ได้ทำสิ่งนี้สิอยจะพึ่งอย่พึ่งตายแต่พอความตายมาถึงนี่คุณคุณตอนยอมต้องยอมรับนะคุณไม่ยอมรับไม่ได้คุณประท้วงแต่เขาไม่ให้เวลาคุณแม่ห้านาทีแม่ครึ่งนาทีเขาก็ไม่ให้ตายแล้วคือจบเลยขอสักครึ่งคําพูดหน่อยก็ไม่ได้คแต่เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะยอมรับไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ฝึกยอมรับณวินาทีนี้พอถึงเวลาใกล้ลมหายใจสุดท้ายนะลมหายใจสุดท้ายนะมีค่ามากๆเลยนะ แต่วาเรายังไม่ยอมรับเราจะขออีกสักลมสองลมคุณจะเอาเงินมาซื้อก็ไม่มีขายถึงตอนนั้นคุณยังไงคุณก็ต้องยอมรับเราสู้ฝึกยอมรับตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าว่าอะไรมันเป็นอะไรนะค่ะสาธุเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะคือสรุปว่าเอาละมันก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างใจอยู่แต่มาทำความเข้าใจกันสิว่า ปัจจัยต่างๆมีหลายประการที่เราควบคุมไม่ได้ใช่นะคะ<ช>แต่ที่แน่ๆน่เเราควบคุมตัวเราเองได้ก็คือในเมื่ออุทรก็อุทรไม่ได้ผลก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่สายตาของเราคู่เดียวหากเป็นจริงอย่างที่เขาว่าว่ามีสื่อต่างประเทศเองก็วิพากษ์วิจารณ์ในทิศทางนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันต่อๆไปที่ก็จะมีคน เขาเรียกว่าสะท้อนว่าต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกแต่ในขณะที่ตัวเราท่านเปรียบเทียบไปไกลเลยว่าอย่าดูแค่กีฬาว่าเราไม่พอใจเราไม่ยอมรับแล้วเราก็ประท้วงประท้วงเพื่อผลก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้แล้วท่านเปรียบกับมนุษย์ที่วันหนึ่งต้องจํานนกับความตายที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เราต่อรองไม่ได้ ให้ฝึกยอมรับตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าใช่มีอะไรที่ต้องเสริมไหมคะคือยอมรับเนี่ยนะเราต้องมีมาตรฐานด้วย ค, คือคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเออเขาทำช่วกันฉันก็ยอมยอมฉันก็ทําด้วยแล้วก็ถ้าพูดด่ากันว่ากันฉันก็ยอมยอมฉันก็ทําไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับเนี่ยคือยอมรับในลักษณะว่าอยู่ในในศีลในธรรมแต่ถ้ามีศีลมีสมาธินะไม่มีการด่ากันว่ากันโอเคไม่มีปะนะัญหานี่ยก็ยอมรับไป แต่ถ้าบอกว่ามีคุณธรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราต้องอดทนเราไม่ฝืนคือเราไม่ไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยอมรับทำตามเข้าไปไม่ ไ, มได้ตึกคือคเราก็ไม่ประท้วงด้วยการที่ใช้วาจาไม่ดีนะค่ ะ, คะก็สรุปในตอนนี้ก็คือว่าต้องรักษาจิตของตนไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแน่<ก>นอนเลยแน่นอนเลยค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะใช้เวลาตรงนี้ชื่นชมคุณแก้วพงประยูน นะคะที่ได้ไปทำหน้าที่คนไทย อ, อย่างสมศักดิ์ศรีกลับมาแม้ได้เหรือเงินนะคะที่ฉันก็เชื่อว่าเขาจะเป็นฮีโร่ในดวงใจของคนไทยไปอีกนานเท่านานคุณคุณยมติวนึกดูนะถ้าพูดถึงนักกีฬาในตัวดะบายก็เคยเป็นนักกีฬามาก่อนหรือ oh <my S 1> ว่าคใครที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะทราบเลยว่าคุณจะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเป็นมืออาชีพอะเอาแค่มือสมัครเล่นนี่ก็ยากพอแรงแล้วนะ ในการ <Okay. S 1> ที่ต้องฝึกซ้อมในการที่ต้องอดทนในการที่จะไม่ได้ไปตามเดี๋ยวก็ชักชวนไปเที่ยวนั่นที่นี่เราก็ไปไม่ได้ต้องซ้อมนะซ้อมยังไม่ได้ซ้อมสบายๆนะหย่อๆใหญ่ๆไม่ได้นะต้องซ้อมเหน็ดเห น, น, นื่อยๆ น, นะซ้อมเป็นหลายๆรอบนะถึงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะตรงนี้ต้องใช้วินัยอย่างมากวินยัยวินยัยวินยัยเหมือนพระสงฆ์เนี่ยตื่นเช้ามาโอ้ยตีสีละรออีกสักหนาทีแล้วกันโน่น6กโมงถึงเลยค่อยตื่นนะมันเป <Okay. S 1> ็นสิ่งที่ไม่มีวินยัย เพะนั้นเราเราทำอะ่ะเราทําเขาทํกกาเนี่ยผู้นักกีฬาเนี่ยเขาทาสิ่งที่มีวินยัยเพราะนั้นเราควรจะยกย่องเขามากๆเลยในในเรื่องความที่เขามีวินยัยฝึกซ้อมไม้จะถึงระดับนี้ในเรื่องเขามีความอดทนในเรื่องเขามีความแข็งแกร่งเป็นบุคคลชนิดที่เรอาอาชาในถูกทิ่มถูกตามถูกดา่าถูกว่าก็อดทนได้นะอย่างเวลาซ้อมในโคช้ชเขาต้องอัดอย่างหนักเลยละ่ะเวลาที่จะผ่านแต่ละขั้นละขั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ดีมากๆเราเห็นแค่ว่ามีนักกีฬาไปแข่งอะ่ะ ม, มีนักกีฬามาฝึกซ้อมเนี่ยอเราก็ดีใจมากแล้วไม่ใช่เป็นว่าต้องได้เหรียญอะไรหรือได้ไปหรือเปล่าเอาแค่มีนักกีฬามาฝึกซ้อมเนี่ยคุณต้องใช้วินัยอย่างมากเลยทีเดียวนี้ควรยกย่องเขาด้วยเหตุข้อนี้ด้วยซ้ำ <c oughs> ดิฉันก็รู้สึกว่ า, าไม่ทราบว่าที่ได้รับคําตอบกันไปเนี่ยจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ฟังที่เชียกกีฬาหรือเปล่าแต่ถ้าโดยธรรมะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะท่านขั้นไหนท่านก็พูดแต่ไปถึงเรื่องความตาย มันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับได้ยอมรับไม่ได้เดิฉันก็เห็นหลายกรณีนะคะออืแล้วก็มักจะพูดกับคนอื่นอยู่เสมอเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือเวลา จ, จริงๆแล้วในทางธรรมะนี่ใช่ไหมค ะ, ะผู้เช่าก็ได้พูดถึงเรื่องเวลาไว้ว่าเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่หมดไปหมดไปนะหมดไปอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกวันเวลามันงวดเข้างวดเข้าทุกวันเหมือนกับคนเลี้ยงโคเนี่ยต้อนฝูงโคเข้าไปที่ค อ, อกเนี่ยยังไงทุกตัวมันต้องเข้าคอก เช่นเดียวกันเวลานี่ก็ต้อนทุกคนไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูเห็นเป็นธรรมะนะว่าเราก็ต้องหมดเวลาเหมือนกันนะมีเวลาที่เราจะหมดเช่นกัน <c oughs> เวลาเราก็กำลังจะหมดกันท่านคะ <c oughs> ดิฉันอ่าได้รับข้อมูล อ, อะไรคะช็อตเมสเซจจากเพื่อนส่งบอกว่าเรื่องมวยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารใจเราชนะก็พอ <c oughs> อันนี้พอได้ไหมคะ แพ้เป็นพระชนะก็เป็นพระได้นะนะคะก็เอาเป็นว่าธรรมะต่างๆได้พูดไปหมดแล้วท่านเปใคไรครวนกันแต่ว่าวันนี้เราคงแพ้เวลาเหมือนกันต้องลาพระอาจารย์ไปก่อนนะคะกราบน้มสักการขอบพระคุณพระอาจารย์เพ็ญบุญอภิปุณโญจากวัดปาดอนหายโศอุดรธานีค่ะเรีนผานค่ะท่านฟังที่ครบค่ะและสําหรับรายการของเราสันสีสนทนานะคะเราก็ยังมีหนังสือแจกให้ท่านกันอยู่ที่ศูนย์สองสองหกค่ะธรรมะเนี่ยต้อง อะไอะไรคะทบทวนอยู่เสมอแล้วก็นำเอามาลองใช้ปฏิบัตินะคะเหมือนกับโลกมันมีกิเลสเยอะอะค่ะถ้าเราไม่ทบทวนไม่ปฏิบัติซ้ำมีสติดึงกลับมาที่เก่าเนี่ยมันก็จะไหลไปตามปัจจัยต่างๆที่เรากระทบนะคะเอาไว้ติดตามรับฟังรายการสัมสนาสนทนากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะพุททวดสวัสดีคะ่ะ